ไปตัดไปคน่นลงมาแล้วต้องเลื่อยอก็ต้องมีแบบมีฉบับการตัดการขนการเลื่อยอะไรต้องมีแบบมีฉบับมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้วิชาไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรการประพฤติปฏิบัติทางด้าน จ, จิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกัน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 ได้ยินว่าภาวนาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้บา้างอนี้แต่เรายังไม่ทํามันคิดลำบากไว้ก่อนนะเป็นทุกคิดทุกคิดยากคิดลำบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจเนี่ยทำให้ใจอ่อนไปหมดแนละ้วนั่นมันก็เหมือนเราเป็นมองดูต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังนั่นจะทำยังไงไม้ทั้งต้นนี่จะ ท, ทาได้อย่างไงเพราะว่าแต่ที่เรา นั่งอยู่เวลานี้มีแต่ไม้ทั้งต้นทนั้นล่นแหลเขาแปลสภาพมาเป็นกระดานพื้นเปน็นทันทันเป็นถื่อเป็นแพรเป็นรก็แล้วแต่ในช่างเขาสำเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความอุตสาห์พยายามและความาหลาดของเขามีการบำเพ็ญจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัายความอุตสาห์พยายามความอดความทนเช่นเดียวกัน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 เช่นเดียวกันท่านผู้มีบ้านมีรวนหลังสงา่าพาเผยใหญ่โตโลโหัวานปรากฏเด่นชัดมองมาทางไหนก็เห็นหมดกระเทือนทั่วทั้งโลกกะากก็ได้จะจอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันแน่นหนามั่นขง เียกว่าเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านเรือนทั้งหลายนีหมายถึงเรือนใจและท่านทำวิธีใดท่านจึงสามารถฉลัดรู้และได้ทรงผลเป็นที่พึงปรารถนาจนได้ปรากฏชื่อดีงาและได้บอกวิธีการต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประทานพระโอวาทเอาไว้นั้น เราก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความจเจริญแต่เฉพาะ อ, อย่างยิ่งทางด้านจิตใจท่านทำอย่างไรเราก็พยายามทําอย่างนั้นะจะยากลำบากแค่ไหนกิตทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทั้งตน้นเพราะมันเต็มไปด้วยหลากแกวหลกักปล่อยกิงการสาขาอะไรมีตั้งแต่ลากแกวหลักปลอยของวิชาตันหาอาสวะ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 เรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสทันหาชมะไม่รู้กี่ชั้นกี่ครับกี่กันที่ได้สังสมมาเป็นเวลาไหนะพอกําหนดกิจลงไปไปเจออันนี้แล้วก็ทําให้อ่อนใจความมืดตื้อก็คือเรื่องของกิเลสความมนุภาษีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ย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 ได้วิธีการจากธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้าจากครูบาอาจารย์แล้วนาวิธีการนั้นไปใช้โดยความเพียรตั้งตนเองสติปัญญาท่านบอกยังไงก็พยายามดําเนินนั้นตามนั้นแล้วพยายามบางาังคับจิตใจของเราให้มันแตกแขนงไปด้วยอํานาจของกิเลสแตกไปทางใดบ้างคิดตรุงในทางใดบ้างน่ะพยายามหักห้ามความมาด้วยสติอพยายามหาอะไรเป็นเครื่องเหนียรร้างมาด้วยบทธรรมน่ะนี่อะไร เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นต้องบังคับกันอย่างเข้มงวดกวดขันตั้งท่าต่างๆเหมือนกับเอาเป็นเอาตากันจริงๆกับการภาวนาเพียงเท่นั้นการภาวนาทั้งหมดถือว่าเป็นความดีแต่ในขณะที่เราทําเหมือนก็จะเข้าแตงแก ง, แกงถูกค่าถูกสังหารอย่งนั้นแหละมันฟืดมันเคืองมันอะไรทั้งหมดรวมอย่างนั้นหมดทีนี้เมื่อกิตใจติดเต็มไปด้วยกิเลส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 ความสงบนั่นเกิดขึ้นจากการบังคับบรญชาเกิดขึ้นจากการฝึกทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่ให้จิตมันคิดเพ่นพ่านไปเจ้าสังสมกิเลสอันเป็นยาพิษเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินของกิเลสด้วยสติปัญญาหากห้ามไม่คิดตุงมในไปในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบจตจิต ใ, ใจของเรา นีเมื่อทําถูกทางทําถูกวิธีปิด ก, ก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบมากขึ้นมาสงบละเอียดละอ้อขึ้นมานั่นทีนี้เป็นเรียกว่าเริ่มมีต้นทุนก็เหมือนเ ข, เขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแก่นของหมันละถิ่อแล้วลยิ่งเลื่อยออกมาเป็น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 คือความสงบมีผลดีอย่างไรเห็นไหมความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชาัดเจนนี่ก็พยายามบุกเบิกจิตใจให้กล้าหน้าไปเดินหนับหรือพยายามคุ้ยเกี่ยสิ่งที่มันเป็นภัยต่อจิตใจด้วยชำลนะสักสามกันออกโดยลำดับลำบากจิตก็มีความสงบแน่วแน่ลงไป ส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินั้นมันเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายในจิตใจที่เรียกว่าสันติสิโกให้เห็นเองทสำหรักผู้ปฏิบัติเถอะความสุขความสบายหรือความอัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกทำระสรักพอกอยู่โดยสม่ำเสมอนี้แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่ม เห็นความแปลกประหลาดและวจันขึ้นภายในตัวแล้วเรื่องความขยันหมัน่นเพียรความวุตสวายพยายามนั้นมันเป็นมาเองทุกยากลํำบากแค่ไหนก็ามายอมลดละมายอมถอยหลังคืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทีนี้เราก็พอทราบการเข้าการออกของจิตการคิดผิดคิดถูกของจิตคือการก้าวเดินของจิตเดินไปทั้งผิดถูกอย่างไรบ้างเราพอทราบได้เพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษา แต่ก่อนไม่มีเลยมีแต่ขีเล็กข้าวกรขย่าสะแหลกหมดถ้าว่าจิตนี้เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเลยผุยผงเป็นเสีกยออาจจะเรียกได้ ว, ว่าเป็นอากาศธาตุเป็นหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกแต่ยากลาบากแค่ไหนก็รับทราบอยู่โดยปกติของตนไม่มีความที่หายเมื่อได้รับการชักว่าขึ้นมา ความสว่างภายในตัวเองก็ปรากฏเริ่มฉายแสงออกมาได้เพราะสิ่งปิดบังนั้นเป็นจิ่งสกรปรกโซ่มมมเป็นสิ่งที่มืดมืดดำาๆได้ค่อยกระจายออกไปเช่นเดียวกับก้อนเมฆดําๆที่จางออกไ ป, ไปก็ได้มองเห็นแสงสว่างอย่าพระอาทิตย์เช่นนั้นเหมือนกันจิตใจก็เริ่มมีความสว่างสวัยขึ้นมาทีนีนั่งอยู่ที่ไหนก็เริ่มสบายนะทีนี้นะาทาการทางานอะไรก็สบายทาให้เพลิน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 ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยรือละเอียดต่างกันเป็นลำดับๆนีน่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภาณกิจิตที่นี่จิตไม่ค่อยโอนก็อเอ็นอะไรนักละเพราะมีหลักมีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตนี่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 เป็นสมบัติขึ้นภายในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจำกับใจอยู่แล้วก็มีความสมายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ว้าวุ่นขุนมัวไม่ว้าวีมีความเย็นสบายนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือนขั้นแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญาพยายามฝึกหัดคิดค้นตามธาตุตามขันตามมรรคของเราด้วย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 เรามีความสนิทกับธรรมใดในทั้งในธรรมทั้ง3ามประเภทนี้เป็นอนิจจังก็าตามเป็นทุกขังก็าตามเป็นนัสตาก็าตามและเรามีความชอบใจกับอาการใดหรือกับธาตุในในธาตุทั้ง4นี้กับอาการใดในอาการทั้ง32ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้กับอายตนะใด ในบรรดาอายุระที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายต่อถึงใจเราจะพิจารณาอายุะใดก็ตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็ตามจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้นสี่นี้ก็ตา่างย่อมเป็นทางเดินเพื่อความรู้แจ้งจริงด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถา้าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกัน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 ทำงานในขันนั่นก่อนแล้วก็ขยายงานออกไปด้วยอานาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยลาดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดำเนินไปโดยลำดับเหมือนกับว่าก้าวเดินไป เ, เรื่อยๆด้วยหลักธรรมคือได้จังทุกขังตาเป็นสายทางให้พาเดินไปด้วยสติปัญญาของเรา มีขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนถึงขัน้นเริ่มแรกเป็นขั้นไีตะล่อมกิเลสให้รวมตัวเข้ามาสู่ภายในจิตให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วก็มีกําลังควรแตการพิณิพิจรารณาท่านเตรียมให้นอนใจสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสั่งสร้างปัญญาที่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 มากน้อยเพียงใดย่อมมีความดูดดึงต่องานของตนโดยลําดับเพื่อจะถอดถอนกิเลสเป็นลําดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอะไดเหลืออยู่ภายในปิตใจนั่นเลยจิตย่อมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความสุขความสว่ายเมื่อเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยการพิิจารณาในแง่ทําต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั้นเข้ามาสู่สมาธิคือความเย็นสบายนี้เสีย ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเพราะเรามีเรือนแห่งความสงบอยู่แล้วภายในใจของเราจากนั้นเราก็พิจารณาคือพิจารณาก็เหมือนกับเราทํางานเมื่ออิดเหนื่อยเมื่อล้าเราพักสักทีจนรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายสายเวลานั้นเราไม่ต้องเป็นเป็นห่วงเป็นกังวลกับงานใดๆทั้งสิน้นทักให้สบายพอสบายแล้วก็ทํางานอีกเวลาทํางานไม่ต้องไปกังวลกับการทัก พอได้พักมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาทํา ง, งา น, นขนาดที่พักความเพื่อจิตพักเพื่อความสงบของจิตแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพักจะพักพด้วยทําบทใดก็าตามเช่นกำหนดพูดโธหรืออนาปานทติให้ตั้งหน้าต่อจิตเพื่อความสงบเท่านั้นไม่ต้องไปิยุ่งกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทําให้เป็นสมาธิให้สู่ความสงบ พอออกจากความสงบที่จะก้าทางด้านปัญญาให้มีแต่หน้าที่ของปิญญาทางด้านปัญญาเท่งนั้นเรื่องความห่วงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบนี้ไม่ต้องเพราะขัดแยง้งกันกับงานที่กําลังทํานั่นคืองานสมาธิอกัดดั้นคืองานของปัญญาการทําต้องมีการคิดการตุร้งการัดหรือตรองพิปปจารณาในสิ่งต่างๆ เพื่อความรู้แจ้งห็นจริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังสิ่งในสิ่งที่กําลังติดทันกันกับใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเวลานี้เดียวว่าเวลาทํางานทําให้เต็ ม, มเต็มหน่วยไปต้ตองมอีดจนเต็มที่เห็นแจ้งเห็นจริงอา้าวธาตุขันขันใดถนัด ก, กับติดในขันในรูปประขันแยกดูให้ดีนันมีแต่กองเนื้อกองหนังกองกระดูกทั้งนั้นป่าชาติที่ดิบเต็มอย่นี้หมดหเรามาถือทําไม ไม่อายความจินบ้างเหรือถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนเราสอนหลังนี้ดูนี่เราไปเยี่ยมป่าชานป่าชาภายนอกยังค่อยยงชั่วป่าชาภายในตัวของเรานี่เต็มไปหมดเออยิิงหนา่าอินนาละอาใจ ย, ยิ่งกว่าป่าชานั้นมากมายแต่ ก, กองทําไมมาถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อละอายกดหลักธรรมชาติบ้างเหรือคือความจินของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทําไมเราจรึงไปยอมตนบ้า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 ก็พิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะได้ถึงความจริงของจิตจะได้ถึงความจริงของสติของปัญญาของตนอย่างชัดเจนทั้ง2ฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมายของการพิจารณาและฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆเห็นแล้พิจารณาลูกก็ไม่ได้หมายจะเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาทั้งหายวิญญาณแต่ให้พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของลูกของกายของธาตุของขันธ์นี้อย่างชัดเจนตาม ความจินของหนาพิจารณาเวทนาสัญญาทั้งขันยานก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นผู้รุ่มผู้หลงจิตกันผู้สําคัญมันหมายจึงต้องแก้วความทั้งขันหมายของตนด้วยสติปัญญาให้เข้าใจชัดเจนโดยลําดับและเราจะถือว่าเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้ววันหนึ่งหนึ่งพิจารณาหลายครั้งหนไม่สําคัญสําคัญที่ความเข้าใจเข้าใจจนต่อยวางได้เนีถามว่าเรา อ่อนเพียงแล้วก็พักเป็นการเปร็นเวลาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตเกามาสู่ความสงบแล้วพากสียหลังนั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแล้วำช้ำซากซากไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจ <c oughs> เมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความดิ้ถือถึงจะยากจะลาบากยางไรก็ตามเมื่อ <c oughs>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 วควรจะใส่ขอบรูเหลี่ยมใส่ลงไปควรจะเจาะจะสิวเจาะลงไปเรื่อยๆตามความตลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความตลาดของผู้ปฏิบตัติที่จะแยกจะแยกทักขันให้เป็นอะไรตามความจริงขงมันแยกแยกตามด้วยอาํานาจของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถ่อจนสามารถถอดถอนตอนทัน้งตอ น, ต อ, น, ต อ, น, ต อ, นออกได้เช่จนจากรูปทัพพิจารณาชัดเจนลงไปจนเห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วจิตจะทนไปยัดยืนมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้ บางคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานะี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสาคัญถือเอาความรอบเป็นสาคัญแล้วการเตียดที่อธิบายนี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูปกับกายของเราทั้งกายนั่นะเจ็บที่ตรงไหนกับกายของเรา ก็เป็นทุกข์ของเราชะเทือนเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะฉะนัต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบสะเทือนกับเราสิ่งภายนอกยังไกลแสนไกลสิ่งนี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึง ต, ต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่ำเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงกลมายาของสิ่งเหล่านี้อืเดี๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเสียถ้ยาปัญญาไม่ทันก็หลงเออหลงประยุทธ์ไปถือ หลงจำคัญว่าตนเป็นนั้นตนเป็นนี้เข้าไปแล้วก็ในขณะใ ด, ดที่หลงนั่นแหละคือกิเลสได้ท่าแล้วได้เปรียบเราแล้วแล้วแก้ไม่ทันต้องพยายามแก้ให้ทันการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้อไม่ว่ากายพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้เลยทนาไม่เกิดจากไหนแล้วเกิดจากกายนั่นแหละอาศัยกายเป็นที่เกิด แม้จะไม่รู้เรื่องนั้นก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรู้กับผิด อ, อกกับกายก็ตามกายเป็นการม่รับรู้ ก, กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตโง่เผาวบาปัญญาก็ต้องไปยึดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแย ก, แยกให้เห็นตามผมพิมของกายของเวทนาของจิตหใหชัดเจนลงไป การพิจารณาทำขั้นนี้เพลินเพลินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมดาที่เรียกว่าเพลินเป็นขั้นราบลื่นคั้มขั้นสม่ําเสมอเป็นความเพลินเอาที่นี้ขั้นที่เกิดความขั้นที่จนกรอกจนมุมคืออะไรขั้นที่ทุกเวทนาเกิดมากๆนี่แหละเป็นขั้นที่หัวเลี้ยวหัวต่อขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียวอ่าขับเป็นแชมเปี้ยนก็เข้มขัด แ cm จะหลุดถ้าไม่เก่งทำง่าจะให้เี็มขาดมันคงที่อยู่ได้ให้ได้ชัยชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากลมให้ใจสิ้นไปเสียท่นั้นถึงจะถอยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสาคัญยิ่งกว่านี้ขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไม่ตายขนาดที่ตายยังมันหนักยิ่งกว่านี้ จนทนไม่ได้ถึงขั้นตายเพียงเท่านี้เราจะพิจารณามันไม่ได้เห็ุใดเราจะพิจารณาได้ในขณะตายเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ทุกเวทนาเกิดมาเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ถึงขนาดตายเราจะสู้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้เรารู้เท่าไม่ได้ถึงขั้นตายจะรู้เท่าได้อย่างไงหน่ะเอามาเทียบเทียงเอ า, าเข้าไปพิจารณาเข้าไปอทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้กับทุกเวทนาในขั้นตายมันเป็นเวทนาอันเดียวกันซึ่งจะต้องใช้พิจารณาด้วยปัญญาให้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 ถ้าอย่างนั้นมันค้าเข้ากันผพิจารณาให้เห็นชั้น่างนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสําคัญขึ้นเวทีอันสำคัญขึ้นตรงนี้แหละเดี๋ยว่าจนกรอบหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางสู้โดยถ่ายเดียวหาทางถอยถอยไม่ได้ทุกเวทนานเราถอยไม่ได้ยังไงถอยจะแล้วมันยิงเยียบย่ำเราลงไปจนสติติตังไม่มีกับตัวเลยดีแล้วหรือน่ะ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 ทุกเคยเกิดมานานแล้วตั้งแต่วันเกิดจิตยังต่อสู้มาได้ทําไมทุกเกิดขึ้นในขณะดนี้จิตจะต่อสู้ไม่ได้หรือสติปัญญาเราก็เคยใช้พระพุทธเจ้าเคยใช้สาวกท่านเคยใช้ทําไมเราเอามาใช้จอะอาภัพไปได้หรืออาภัพทําป ไ, ปไม่ได้เมื่อเราเป็นนักลบอยู่แล้วเป็นผู้สนใจต่อปัญญานํามาพิจารณานำมาค้นคว้าให้เห็นชัดจินชัดเจนตามเรื่องรูปตามเรื่องเวทนาตามเรื่องของจิตที่กําลังต่อสู้หรือปัจจุบันอยู่ในเวลานี้แยกกันให้เห็นตามความจริงของมันด้วยความจริงอันแท้จริง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 รูปธาตุรูปปะขันธ์กับเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เวทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเรากายเราจริงอยู่ในท่ามกลางอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้กระดังกันเข้ามากระทบเลยกลายเป็นเนื้อบนเขียงไปได้ทั้งหนงหมุนขึ้นมาเขียงหนุนขึ้นมามีดสับลงไป ตัวเราคือจิตก็เลยแหลกละเอียดพอดีนถ้าปัญญาไม่รอบแต่ถ้าปัญญารอบแล้วเรานั่นแหลเป็นผู้ที่จะฟันอะไรต่ออะไรเขียงก็เราฟันลงไปได้มีดเราหามาได้คือ ป, ปัญญาของเราสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้อย่างสบายๆถ้าเราฉลาถ้าเราไม่ฉลา ก, กับสิ่งเหล่านั้นเราฟันมืเอเรามีดฟันมือคนนานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นข่าศึกต่อเราผู้โง่ะ เราเป็นผู้ฉลาดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราจะให้จิตของเรามีความแหลมคมเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องรับเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความที่ลักษลาดขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความฉลาดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเวทีสาําคัญในการภาวนา เราพูดถึงเรื่องทุกเวทนากับกายกับจิตอ่าทีนี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาโดย ท, ท, ทั่วทั่วไปในสัจธรรมตั้งแต่ขั้นต่ําจนกระทั่งถึงสูงสุดเราก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาอานี้ก็พิจารณาอย่างนี้เวลาไม่เกิดเรื่องก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งต่อยวางได้อีกขช้นเดียวกันอน อวิชชาปัจจยาสร้ง า, างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเรื่อยมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นธรรมะทิฏฐิภูตังอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราท่านว่าทิฏฐิภูตัต ง, ออ ง, าาตตงหมายถึงจิตอวิชชาอาศายัยจิตเป็นอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลาขึ้นมาฉะนั้นจึงต้องพิจารณาลงไปที่นั่นกันลงไปที่อวิชชาปัจจยาสรางฆาลามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิต มีจ like. ิตเป็นท TO ี่อาศัยของวิชาไม่มีจิตอวิชาอาศัยไม่ได้นะจึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่นั่นทำรากกันนี้นั่นสว้างฟันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญาอนทันสมัยอวิชาขาดกระจายหมดอวิชชาวัตเววะธาตุจริงอะที่นี่กันดับดับับดับดับดเรื่อยไปเรียนเมตตาศาสตร์เวลาศาสตร์ตัวขั้นระดับเริ่มทั้งหมะนิโรธโหตินั่น ในเบื้องต้นของวิชาว่าสมุทรยโยโหติพอากลายเป็นอวิชาวตัตถายวเสวะสัจจการนิโรธาทั้งกลางนิโรโทแล้วก็เป็นนิโรโทรโฮติเอวเมตสักเอวราสัดูขั้นทัสสะนิ โ, โรโทโหตินัน่นเหยียบทิกกันเพียงเท่า น, นั้นตายเป็นนิโรดับสนิทขึ้นมาภายในจิตใจคือดับกิเลสอย่างสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นเป็นขั้นสุดท้ายหองการสร้างบ้านสร้างเรือน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 ดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าทุกขษาณัลตลังสุขขังสุขเกิดจากเครื่องความทุกข์คือการประกอบทุกซะก่อนก่อนจะได้ความสุขนี่การประกอบความภา่เทียมจะเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่ต้องแบบแต่ความทุกด้วยการกระทําทั้งนั้นนักก็ทําเบากระทำนักก็ทุกเบาก็ทุกหน่วงจนมาตั้งถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ที่ที่เกิดเนื่องมาจากการกระทำนั่นแหละง่าย นี่เป็นบ้านเป็นเรือนอันสมบูรณ์แล้วชั้นหนึ่งเป็นสมาธิชั้นหนึ่งเป็นปัญญาชั้นสุดท้ายเป็นนิมุติบ้านสามชั้นพ อ, พอท้ายอยู่สบายนี้อยู่กันไปจกนกระทั่งถึงวันปณิพานแม้จะเป็นท่านผู้ใดก็าตามเมื่อถึงขั้นนิมุติสุดท้นแล้วเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต้องอาศัยเป็นไปลําดับในระหว่างขันธกิจที่ครองตัวอยู่ต้องได้บําเพ็ญทางสมาธิบําเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาตามเรื่องตำราวของมัน เรียว่าเป็นที่ระทำให้มีความรื่นเริงเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องดีสบายสบายในระหว่างขันระผิดที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว ส, สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนะจากนั้นแล้วคําขึ้นมาขึ้นถึงคําว่าบิมุตคืหลุดไปเลยจากธาตุขันไม่เพียงแต่หลุดจากพิเดียร์แล้วปล่อยจากธาตุขันไปแล้วหมดคําพูดที่จะพูดกัน อีกต่อไปทิน ง, ง, งขอยุติการแสดงเพท่านทอง